ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหาการมีตัณหาหรือมีฉันทะเป็นแรงจูงใจในการกระทาก่อให้เกิดผลในทางจริยธรรมหรือผลในทางปฏิบัติแตกต่างกันออกไปได้มากเมื่อบุคคลมีตัณหาเป็นแรงจูงใจการกระทาเป็นเพียงเงื่อนไขสำหรับการได้สิ่งเสพสวยมาปรนเปลตน เขาไม่ต้องการทั้งการกระทำและผลของการกระทำนั้นจุดมุ่งประสงค์ของเขาอยู่ที่การได้สิ่งเสพสเว่ยนั้นมาในหลายกรณีการกระทำที่เป็นเงื่อนไขนั้นเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นประการหนึ่งถ้าเขาสามารถหาวิธีการอื่นที่จะให้ได้โดยไม่ต้องทำเขาก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นเสีย หันไปใช้วิธีที่จะได้โดยไม่ต้องทำแทนเพราะถ้าเป็นไปได้การได้โดยไม่ต้องทำย่อมตรงกับความต้องการของตัญหามากที่สุดอีกประการหนึ่งถ้าจาเป็นจริงๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได้เขาก็จะทำด้วยความรังเกียจจำใจไม่เต็มใจและไม่ตั้งใจจริงโดยในย่านนี้ ผลเท่าที่พอมองเห็นได้ก็คือประการหนึ่งในเมื่อเจลิกเลี่ยงการกระทำที่เป็นเงื่อนไขเขาอาจหันไปใช้วิธีลัดหรือวิธีอื่นใดซึ่งง่ายที่จะให้ได้สิ่งเสพมาโดยไม่ต้องทำผลอย่างแรงคือการทุจริตในรูปต่างๆเช่นในก่ออยากได้เงินไม่มีชันท่าและอุตสาหะในงานเสียเลยเขาทนทำงานรอเวลาอยู่ไม่ได้ จึงหันไปหาเงินด้วยวิธีลักขโมยแทนหรือหนูหน่อยอยากไปดูหนังทนอ่านหนังสือไม่ได้อาจขโมยเงินคุณแม่ไปดูเองโดยไม่ต้องรอให้คุณพ่อพาไปอีกประการหนึ่งในเมื่อเขามีแต่ตัณหาที่อยากได้แต่ไม่มีฉันทะที่อยากทาเขาจึงทำงานที่เป็นเงื่อนไขอย่างชนิดสักว่าทำหรือทำพอให้เสร็จ หรือทำคลุมคุ ม, คมพอให้เขาเห็นว่าได้ทำผลคือไม่ได้ความราณีตหรือความดีเลิศของงานและผู้ทำก็เพราะนิสัยไม่ดีให้แก่ตนเองกลายเป็นผู้ขาดความไยสมริ์มักง่ายจับจดเป็นต้นเช่นในกอสักว่ากวาถนนไปวันๆพอครบเดือนๆ เ, เพื่อได้เงินหนูหน่อยอ่านหนังสือพอให้คุณพ่อเห็นว่าจบแล้ว โดยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจหรืออาจคดโกงหลอกลวงเช่นไม่ได้อ่านเลยหรืออ่านหน้าแรกหน้ากลางหน้าหลังรอจนเวลาผ่านไปพอควรก็มาบอกคุณพ่อว่าอ่าน จ, จบแล้วอีกประการหนึ่งในเมื่อเงื่อนไขหลักมีช่องโหว่เกิดความย่อหย่อนละหล้วมเลี่ยงหลบหลอกได้เป็นต้น ก็เป็นเหตุให้ต้องสร้างเงื่อนไขรอง ต, งต่างๆเข้ามากระนาบเพื่อป้องกันกวดขันและอุดทางรั่วซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทำให้ระบบต่างๆซับซ้อนสับสนนุงนังยืดยาดยิ่งขึ้นเช่นต้องหาคนมาคุมในกอทำงานตั้งผู้ตรวจงานสำรวจเวลาทำงานหรือให้พี่มาคอยดูหนูหน่อยอ่านหนังสือคุณพ่อสักถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ในหนังสือที่อ่านเป็นต้นรั้นตัญหาเขอาไปครอบงามพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นได้อีกความทุจจริตหละหลวมย่อหย่อนทั้งหลายก็เกิดแทรกซ้อนมากมายจนอาจทำให้ระบบทั้งหมดฟอนเฟะหรือเน่าเละไปอีกประการหนึ่งในเมื่อสิ่งที่ผู้กระทำต้องการเป็นอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่เป็นผลของการกระทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งผลของการกระทำก็ไม่อาจเป็นตัวกำหนดหรือบ่งชี้ปริมาณและคุณภาพของการกระทำได้เพราะการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันเองแต่กลายเป็นเพียงธาตุสำหรับรับใช้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยอมเกิดความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์กล่าวคือ เมื่อตามความจริงภาวะดีงามที่ควรจะมีควรจะเป็นคืออย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้และจะสำเร็จได้ด้วยการกระทําเท่านี้แต่การกระทําของผู้ทากลับเกินเลยมากไปเสียบ้างขาดหย่อนน้อยไปเสียบ้างไม่พอดีที่จะให้เกิดภาวะซึ่งเป็นผลดีอันพึงประสงค์นั้นทั้งนี้เพราะการกระทานั้นไปมุ่งรับใช้ความต้องการสิ่งเสพเสมยที่เป็นผลตามเงื่อนไข การได้สิ่งเสพเสวยจึงกลายเป็นตัวกําหนดหรือบ่งชี้การกระทําสูตรสัมพันธ์สําหรับการกระทําที่เป็นเงื่อนไขของการได้สิ่งเสพเสวยหรือสูตรของตัณหามีว่ายิ่งได้สิ่งเสพก็ยิ่งทํายิ่งทําหรือยิ่งได้เวทนาอร่อยก็ยิ่งทํายิ่งทําซึ่งเป็นสูตรเปิดท้ายทําไปไม่รู้จบ และถ้ามองกลับด้านก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้สิ่งเสพก็ไม่ทำหรือถ้าไม่ได้เวทนาอร่อยก็ไม่ทำเมื่อการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันและไม่พอดีกับผลที่เป็นภาวะพึงประสงค์นอกจากผลดีนั้นจะบวกพร่องแล้วยังจะก่อให้เกิดโทษหรือผลร้ายต่างๆได้มากมายอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือการกินอาหาร เมื่อกินด้วยตัณหาล้วนๆกล่าวอร่อยก็กินจนอืดเกินอิ่มครั้นไม่อร่อยอย่างใจก็กินน้อยจนท้องร้องครวนไม่พอดีกับความต้องการของร่างกายทำให้เจ็บป่วยเกิดโรคการกระทําคือการกินเป็นเหตุของผลคือร่างกายได้รับอาหารพอแก่สุขภาพและเป็นเงื่อนไขของการได้เสพรสอร่อย คนร้ายในข้อนี้มีได้อย่างซับซ้อนตั้งแต่ในชีวิตของบุคคลจนถึงปัญหาสังคมในวงกว้างดังจะพิจารณาในตัวอย่างต่อๆไปอีกอีกประการหนึ่งในเมื่อการกระทำกับสิ่งที่ตัณหาต้องการไม่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันโดยตรงตัณหาจึงรังเกียจการกระทำคือไม่ต้องการกระทำตัณหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทา โดยพยายามให้ได้โดยไม่ต้องทำและเมื่อจำเป็นต้องทำก็ทำโดยจำใจดังกล่าวแล้วผู้กระทาดวยตันหาตามระบบเงื่อนไขจึงย่อมไม่ได้รับความสุขความพึงพอใจในการกระทํานั้นและแม้ในผลสำเร็จของการกระทําที่เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับการกระทํามองอีกแง่หนึ่งว่า สิ่งที่ตันหาต้องการคือของเสพสวยนั้นตั้งอยู่ลอยลอยไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันกับการกระทำดังนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งเสพสวยความกระหายอยากต่อสิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นความเป็นไประหว่างกระทำตามเงื่อนไขนั่นแหละอาจกลายเป็นตัวเร่งเราหรือกดดันให้ตัญหาตื่นเต้นวันไหวหรือวันหวาดยิ่งขึ้น โดยในย่านี้ภาวะทางจิตของผู้เป็นอยู่หรือกระทําด้วยตัณหาจึงได้แก่ความร้อนรนกระวนกระวายความฟุ้งซ่านความเครียดความประสากระส่ายพวงโดยอกุศลธรรมอื่นๆอันอาจเกิดตามมาเช่นความหวาดกลัวความระแวงความริษยาเป็นต้นความไม่สมคาดระหว่างก็ดีการไม่ได้สมหวังในบั้นปลายก็ดี ล้วนนำไปสู่ผลร้ายทางจิตใจที่รุนแรงให้เกิดความค่้องขับใจตลอดถึงโรคทางจิตผลร้ายทางจิตข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งก่อปมปัญหาทางจิตใจที่ระบายขยายออกไปเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่กว้างขวางพึงเทียบกับผลดีของชันทะด้วยเพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นในบางแง่